พุโทพโธพโธอย่าถือว่าเป็นการแสดงธรรมเป็นการทำให้มันเกรงเกินไปให้ถือว่าเรามาสนทนาธรรมกันเรามาปารภธรรมะกันก็แล้วกันมาคุยธรรมะกันถ้าหากว่าท่านทั้งหลายตั้งใจมากเกินไป แทนที่จะได้รับประโยชน์เต็มที่บางทีมันมัวแต่เกรง็งแล้วก็กลายเป็นว่าประโยชน์นั้นมันพร่องลงไปดังนั้นเอาแต่พอดีพอดีบางครั้งคำว่าพอดีอาจจะไม่ได้หมายความว่าเคร่งเครียดแต่ได้รับประโยชน์เต็มเหนียวเต็มหัวเต็มแรงก็ได้เพราะเพียงคำว่าธรรมะคำเดียว หลายท่านได้ยินว่าธรรมะโดยเฉพาะเด็กน้อย น, อยนี่บางทีวิ่งหนีแล้วบางท่านก็ช่วยอาตมาว่าไม่เพียงแต่เด็กน้อยทุกวัยพระทำยังไงให้ธรรมะกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงคนได้อย่างง่ายแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่า ผิดแปลกแหวกแนวแล้วกลายเป็นว่าธรรมะเกิดพิศดาลเป็นลทัทธิใหม่ขึ้นมาด้วยเป็นเรื่องใช้ศิลปะมากทีเดียวไม่ใช่ศิลปะในการหลอกลวงคนแต่เป็นศิลปะในการถ่ายทอดให้ผู้ที่ฟังทุกคนได้เกิดจเจริญใจในการที่จะทำความเพียรแล้วก็ไปถึงผลจำริศ ตามที่พระบรมศาสดาท่านมีพระประสงค์ไว้ถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายตั้งใจในการประพฤติธปฏิบัติธรรมแค่เพียงว่าขอแค่พอมีความสุขขอแค่พอได้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ทุกข์มากเกินไปนักก็ถูกต้องและถ้าหากว่ามีกําลังใจเข้มข้นขึ้นมาอีกก็กลายเป็นว่า เคไอหากินเพียงเบี้ยต่อไส้วันต่อวันทำไนมันจะเหลือไปถึงวันพรุ่งนี้เหลือไปถึงอาทิตย์หน้าเดือนหน้าเหลือไปถึงปีหน้าเหลือไปถึงสิบปียี่สิบปีข้างหน้ามันจะค่อยๆขยับกำลังใจจากกำลังใจพื้นฐานให้เป็นกำลังใจที่เข้มข้นขึ้นโดยลำดับลำดาเหตุปัจจัยบางอย่างเราควบคุมได้ก็ดี เหตุปัจจัยบางเรื่องแม้เราจะเตรียมการมาแล้วอย่างดีแต่มันควบคุมไม่ได้ก็ต้องเข้าใจในความเป็นไปของเหตุปัจจัยนั้นๆด้วยจะไปหมายให้ได้ดั่งใจทุกอย่างเราเป็นทุกเองถ้าเราเข้าใจอยู่อย่างเข้าใจมันจะกลายเป็นสภาพของธรรมะที่แสดงตัวอยู่อย่างเปิดเผยตลอดเวลาความจริงแล้วทุกสรรพสิ่งรอบตัวเราท่านทุกๆคนเลย เขาแสดงธรรมะอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้ฟังเองไม่ได้เปิดหูให้เป็นหูปัญญาที่จะฟังไม่ได้เปิดดวงตาให้เป็นดวงตาปัญญาที่จะเห็นเลยไม่ได้เห็นธรรมกันสักทีแล้วก็มาอดครวรว่าตั้งใจอยากจะไปพระนิพพานบางท่านขอโสดาบันให้ได้ในชาตินี้ก่อนเถนะคือปิดอบายภูมิให้ได้ในชาตินี้ก่อนแล้วก็ คอยไต่เต้าสูงส่งขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์เองในที่สุดดีทั้งนั้นในเจตนาพวกท่านเจตนาดีจริงๆแต่เวลาที่ปฏิบัติทำแต่ละครั้งหันไปสับประกหลับหันไปฝุ่งซ่านหันไปคิดถึงเรื่องการงานคิดลูกหลานคิดเป็นห่วงนั่นเป็นห่วงนี่ซาละพัดคิดลังเลสงสัย บางคนก็วิตกด้วยกามาราคะบางคนก็วิตกด้วยอาฆาตพยาบาทโทสะ เ, เอาไปเลยทีนี้สารพัดเรื่องแล้วอาตมาถามว่าด้วยแล้วแต่เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์สอนใช่ไหมไม่ใช่แต่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายชอบทำแล้วพอผลปรากฏออกมาเป็นยังไงบ้างใกล้พันิพันฑ์แค่ไหนแล้วไกลเหมือนเดิมจริงหรือเปล่า ดังนั้นในการประพฤติปฏิบัติต้องสำรวจตัวเองแก้ไขตัวเองเสมอตั้งแต่ตมาไปแสดงธรรมหลายๆที่มาต้องยอมรับจริงๆว่ามาที่ทีโอทีรู้สึกตัวเองเป็นดีเจทันทีไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองจะมีเสียงที่นุ่มนวลขนาดนี้ต้องขอชื่นชมเครื่องเสียงทีโอทมากฟังเองยัง โอ้ทําทํําทาเสียงชาวป่าชาวดงให้กลายเป็นเสียงดาราเสียงดีเจนักร้องได้สุดยอดเลยมาพบพวกท่านแล้วก็มีความสุขมีความสุขเพราะว่าพวกท่านสนใจธรรมะพวกท่านรักในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใช้คําพูดไม่ผิดอย่าไปตีประเด็นเหมาขลุงว่าคําว่ารักเป็นกิเลส คำว่าชอบเป็นกิเลสคำว่าอยากเป็นกิเลสเรามาทำความเข้าใจพื้นฐานกันเล็กๆท่านทั้งหลายอยากไปนิพพานอยากเป็นพระพุทธเจ้าอยากเป็นพระอรหันต์อยากดับทุกข์อยากเดินจงกรมอยากนั่งสมาธิอยากสวดมนต์อยากทำบุญใจบาทอยากเรียนให้สำเร็จ อยากจะฝึกตนอยากจะทำการบ้านให้เสร็จอยากจะงดเล่นของเล่นงดเล่นเกมออนไลน์สักหนึ่งชั่วโมงความอยากเหล่านี้ไม่ใช่ตันหาฟังให้ชัดเจนเดี๋ยวนี้เราเหมาไปหมดเลยว่าความอยากทั้งหลายเป็นตันหาผิดนะผิดถนัดเลย ความอยากที่ตั้งใจจะฝึกตนอยากจะให้ประสบความสำเร็จในฝ่ายดีงามท่านเรียกกุศ ล, ลเจตนาท่านเรียกกุศลฉันทะตรงกันข้ามกับตัญหาบางคนคุยกับอาตมาเนี่ยเขาระวังคำสับจนอาตมาตกใจเองขอประทานโทษเจ้าค่ะโยมอยากจะ ถวายปัดจจโอ้ไม่ได้ไม่ได้ใช้คำว่าอยากไม่ได้มันเป็นปัญหานะเจ้าคะาโยมจะไม่ถวายต่อมาก็ไม่ว่าหรือว่างั้นโยมฟังให้ดีความอยากอย่าไปคิดว่าเป็นปัญหาร่ำไปก็เพราะความอยากนี่แหละจึงทำให้มีผู้บําเพ็ญจึงทำให้เกิดพระโพธิสัตว์ทำให้เกิดพระโยคาวจรเกิดท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ อยากในฝ่ายดีย้ำนะอยากในฝ่ายดีท่านเรียกกุศ ล, ลเจตนากุศลฉันทะเป็นความพึงพอใจที่จะทำความดีให้สำเร็จอยากในฝ่ายทยานอยากเพื่อบำเรอในความโลภโกรธหลงความทยานอยากประเภทนั้นจึงเป็นตัญหาจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์ปัญหาเนี่ย วิธีการจะชนะให้ละเลยละตัวตัญหาทิ้งกําจัดตัญหาออกนั่นวิธีดับทุกคือว่าไม่ไปเป็นพักเป็นพวกกับเจ้าตัญหาแต่ฉันทะวิธีจะละฉันทะคือต้องทำฉันทะนั้นให้สำเร็จกิจเขาถึงจะวางเองเด็กน้อ ย, อยตั้งใจว่าจะค่อยๆลดความเกเรลด ชั่วโมงเกมออนไลน์เนี่ยเริ่มจากลดทีละหนึ่งชั่วโมงต่อวันขยับไปทําการบ้านให้เสร็จเนี่ยตั้งใจกวาดบ้านถูบ้านล้างจานช่วยคุณพ่อคุณแม่หลึกขยับขึ้นมาตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจภาวนาตั้งใจเดินจงกรมให้ได้วันละสิบห้านาทีวันละครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือจนกระทั่งว่ากิเลสอยู่ที่ไหนจะฟาดฟันหันแหลกเอาให้เรานี่กับกิเลสนี่ เป็นก็เป็นตายก็ตายจะชนะกันให้ได้ในชาตินี้ทีเดียวเห็นไหมละฉันทะจะละได้คือต้องทำฉันทะนั้นให้สำเร็จแล้วจิตเขาจะละเองแต่ส่วนตัญหานี่เลิกคบกับเขาไปเลยตัดทิ้งไปเลยเมื่อครู่ที่ท่านอารัธนาธรรมขึ้นมาพรมมาจโลกาสามปติ พราวสัมบดีพรมท่านเป็นผู้ที่ชักชวนหมู่เทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาด้วยเหตุว่าเมื่อสิทธัตถบรมโพธิสัตว์เจ้าตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระบรมศาสดาท่านพิจารณาว่าธรรมะทั้งหลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้ง จนพระองค์ท่านท้อพระไทยจะหาใครจะหาจิตดวงใดที่จะบำเพ็ญมาปฏิบัติแล้วสำเร็จตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมพทธิยาณได้ดุจพระองค์ท่านหาได้ยากเหลือเกินทรงทอพระไทยแล้วพระกรุนานั้นกำลังจะค่อยๆริบหลี่ริบหลี่ลงคือกำลังจะตั้งพระไทยว่า ไม่ประกาศพระพุทธศาสนาเดือดร้อนเทพเจ้าเหล่าเทวดาสูงสวรรค์ทุกชั้นฟ้าท้าสัมบดีพรมผู้เป็นอธิบดีในแดนพรมโลกจึงรวบรวมเทพพรมทั้งนั้นมาประชุมกันไปเข้าเฝ้ากราบบาทแล้วขอราตนาให้พระองค์ท่านประกาศพระสัตยธรรมมิฉนั้นโลกจะมืดบอดไปตลอดกาล สมเด็จพระประทีปแก้วท่านจึงพิจารณาว่าแม้นโอกาสจะลิบหลีน้อยเหลือเกินแต่โอกาสก็มีเริ่มต้นจากทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละก็จะกลายเป็นความสว่างที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาได้แม้นพระองค์ท่านเองแต่ก่อนก็เป็นกิเลสเต็มหัวจิตหัวใจเช่นเดียวกับเราท่านทั้งหลาย พระองค์ท่านก็ตะเกียรตะกายเสือกคลานผ่านทุกข์มาได้ด้วยความยากลำบากตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้ล้มลุกคุกคลานถลอกปอกเปิกสู้จนสลบไปถึงสามครั้งบำเพ็ญทุกขละกีริยาอย่างยิ่งยวดในชาติปัจจุบันนี้หกปีเต็มหกปีเต็มกว่าจะได้ตรัสรู้ธรรมนำเฉลยให้กับพวกเราทั้งหลาย ก็เริ่มด้วยความไม่รู้นั้นจนกระทั่งรู้แจ้งขึ้นมาได้จนกระทั่งพระจิตบริสุทธิ์พิจารณาบัวสี่เหล่าอุคติตันยูวิปจิตันยูเนยยะปทะปรมะพอพิจารณาบัวสี่เหล่าแล้วจึงรับอาราธนารับอาราธนาเท้าสหัมบดีพรมผู้เป็นอธิบดีแห่งพรมโลกนั้นว่า พระองค์ท่านจะประกาศพระสัพทธรรมจะประกาศพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นวาสนามาถึงพวกเราณนะการปัจจุบันนี้ด้วยเราเป็นหนี้บุญคุณของเท้าตำบดีพรมด้วยพราะถ้าไม่มีท่านกราบทูนราตนาพระบรมศาสดาในคราวนั้นพระสัทธรรมก็จะไม่บังเกิดมรรคผลไม่เกิดพระอริยเจ้าไม่เกิด พ่อแม่ครัวอาจารย์สืบสารพระธรรมวินัยแล้วก็จะมาไม่ถึงความร่มเย็นเป็นสุขภาคธรรมะของเราท่านทั้งหลายณขณะจิตนี้ทีนี้เมื่ออารัธนาธรรมจึงอ้างถึงกล่าวถึงด้วยความสำนึกรู้คุณแล้วก็เป็นการที่จะย้อนมาสอนเราทุกๆคนด้วยว่าโอกาสมีอยู่อย่าปิด โอกาสตนเองโอกาสมีอยู่นอกจากให้โอกาสตนเองแล้วต้องให้กำลังใจตนเองในการพุ่งไปหาโอกาสด้วยเมื่อให้กำลังใจแล้วพุ่งไปหาโอกาสแล้วต้องเพียรอย่างต่อเนื่องด้วยไม่ต้องเอาชนะใครทั้งตัวชนะใจตัวเองให้ได้เพราะกิเลสไม่ได้อยู่ที่ปากเขา เสาไฟฟ้าสายโทรศัพท์ไหนอย่าไปโทษว่าเอ็นี่โทรหาไอ้หมูหรือเปล่าอันนี้ติดต่อใครมีกี่กี่คนคุณตกไหมไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องทั้งปวงกิเลสไม่ได้อยู่กับสายโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับสายไฟฟ้ากิเลสอยู่ที่สายทางเดินของความนึกคิดปรุงแต่ง สายทางแห่งขันห้าเราท่านทั้งหลายนี่เองพิจารณาย้อนกลับเข้ามาหาตนก็จะพบว่าต้นกำเนิดโล ก, กธาตุที่แท้อยู่ในกายและจิตของเรานี่เองถ้าถามว่าชีวิตคืออะไรชีวิตก็คือสภาพความปรุงแต่งขึ้นมา แล้วสมมติเรียกว่าชีวิตพิจารณาให้ดีอะไรมันปรุงแต่งบ้างแล้วทำไมจึงเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตได้ที่ปรุงแต่งใหญ่ท่านเรียกมหาภูตารูปทั้งสี่คือดินน้ำไฟลม ประชุมกันเข้าก็เกิดเป็นรูปธาตุเนี่ยมารวมกันเป็นรูปพอเป็นรูปแล้วนี่ในส่วนของยาบยังมีส่วนนามที่เป็นเรื่องละเอียดอีกสี่อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาความทุกข์ความทนได้ยาก ความเปลี่ยนแปลงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เป็นของใครเลยไม่สามารถจะบังคับได้เลยทีนี้พอพิจารณาสิ่งพวกนี้ทุกสรุปลงมาพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านว่าทุกสรุปลงมาคือความยึดมั่นสำคัญหมายในขันห้านี้เอง จึงจำเป็นว่าต้องรู้จักความหมายของขันห้าเพื่อแจกแจงขันห้าแยกแยะขันห้ารู้แจ้งแทงตลอดในขันห้าให้ได้ขันห้าเป็นคำศัพท์ของคนโบราณถ้าจะรวบลงมาให้ง่ายในภาษาสมัยใหม่ยุคที่รวดเร็วเข้าใจได้อย่างไม่ต้องมีอะไรเย่นเยอะก็คือ อยู่ในกายกับจิตของเราแค่นั้นแหละอยู่ในกายกับจิตของเรานั่นเองถ้าเราถือว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเรากายผู้อื่นก็จะปรากฏด้วยเมื่อใดท่านทั้งหลายทำความเข้าใจแล้วเปิดปัญญาว่ากายนี้ไม่มีความเป็นเราเป็นของเรา กายผู้อื่นทั้งสามแดโลกธาตุก็ดับไปด้วยถ้าท่านถือว่าจิตนี้เป็นเราเป็นของเราก็จะมีจิตผู้อื่นด้วยถ้าท่านเห็นความเป็นจริงเห็นตามปกติที่มันเป็นว่าแม้แต่จิตก็ไม่มีความเป็นเราเป็นของเราจิต อืทั้งนั้นก็หมดคุณค่าราคาความหมายไปด้วยทำเชไหนจะไปถึงจุดนี้จุดที่เห็นสาระตามความเป็นจริงว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราทั้งที่นั่งฟังอยู่นี่ก็ยังรู้สึกว่ากายนี้ของเราจิตนี้ของเราเนี่ยเหมือนเส้นผมบังภูเขา พรบรมศาสดาท่านพิจารณาครั้งจะตรัสรู้ในการพิจารณานั้นยามแรกท่านพิจารณาเหตุปัจจัยของความทุกข์จึงเกิดเป็นปัจจยาการฝ่ายสมุทยัยเหตุแห่งความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรในยามที่สอง ท่านพิจารณาปัจจัยาการความดับแห่งทุกขจึงเกิดเป็นปัจจัยาการฝ่ายนิโรดนิโรธะความดับทุกในยามที่สามที่ตรัสรู้ยามที่สามท่านพิจารณาทั้งอนุโลมและปฏิโลมในสายทางสองสายสายเหตุ และสายดับตรัสรู้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเต็มภาคบริบูรณ์ขึ้นมาเพราะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเราทั้งหลายรู้จักโดยย่อว่าอริยสัจสี่เราทราบแต่เพียงย่อว่าอริยสัจสี่แต่สิ่งที่ทรงตรัสรู้นั้น มีความละเอียดสุ ข, ขุมลุ่มลึกคัมภีรภาพกว่านั้นพอไล่ลำดับไปตั้งแต่ว่าอาวิชชาปั จ, จยาสังขาราสังขาราปั จ, จยาวิญญาณังนี่จนกระทั่งมาถึงผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานเนี่ยชาติชลามรณะทุก์ทั้งหลาย สองปัฏจัยาการนี่ไล่มาอธิบายไปพวกท่านก็จะหลับไปเลยรู้สึกว่ายิ่งยากแล้วก็ยิ่งไกลหนักขึ้นไปอีกผิดกับที่เกลิ่นหัวข้อมาว่าทำอย่างไรเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายอันนี้แค่อินโทรคืออยากให้รู้ว่ามันยากจริงๆ มันยากจริงๆยากจริงแต่ไม่เหลือวิสัยที่จะไปถึงได้เพราะขนาดปัจจยาการสิบสองลำดับทั้งสายสมุทยัยสมุทยาวาลและสายนิโรธวาลเนี่ยพระองค์ท่านยังรวบลงมาเป็นอริยสัจ ส, สี่แต่อริยสัจ ส, สี่มีภาคพิสดารอีก รอบสามอาการสิบสองหนักขึ้นมาอีกพุกท่านมึนไปเลยเมื่อกี้หลับตื่นมาแล้วฝันฝันแล้วหลับอีกมึนไปเลยทีนี้หนักขึ้นกว่าเดิมฝั น, ฝ น, ฝ น, ฝ น, นซ้อนฝันมึนซ้อนมึนขึ้นไปเลยตรงๆเลยเหตุกับผลเหตุนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับขึ้นอยู่กับว่า เหตุปัจจัยทั้งปวงพุทธนิจจบต่างคนต่างกลับบ้านได้ทั้งพระทั้งโยมเข้าใจไหมเรื่องมีเท่านี้ทั้งสามแบร์โลกธาตุมันมีอยู่แค่ว่าเหตุปัจจัยเกิดมันก็เกิดเหตุปัจจัยดับมันก็ดับเท่านี้ทั้งภาพรูปและนามเราเห็นความเป็นจริงของมันหรือเปล่าว่า ดินน้ำลมไฟที่มาประชุมเป็นรูปป่าธาตุร่างกายเหล่าเนี้ยธาตุดินเขาเองก็แปลโปรนก็เชื่อไม่ได้ดินเหลวดินเลนดินโครนมีดินแข็งดินแกลนมีดินเหลืองมีดินดำมีใช่ป่ะดินถล่มก็มีใช่ไหมดินไว้ใจได้ไหมในสภาพคุณสมบัติของความเป็นดินไว้ใจได้หรือเปล่าไว้ใจไม่ได้ น้ำละ่ะน้ำร้อนก็มีน้ำเย็นก็มีน้ำสะอาดก็มีน้ำที่เป็นพิษก็มีน้ำท่วมทีเดือดร้อนทุกคนซีนนมิมาตายน้ำไม่ท่วมเลยน้ำไว้ใจได้ไหมเอาละลมละ่ะไว้ใจได้ไหมไฟนี่วอดวายเห็นชัด ไฟไว้ใจได้ไหยดินน้ำลมไฟไว้ใจไม่ได้แล้วท่านทั้งหลายไว้ใจร่างกายตนเองได้หรือไม่ท่านสั่งให้มันหนุ่มตลอดสาวตลอดมันฟังไหมท่านสั่งว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ยอย่าตายนะมันฟังไหมก็ถ้ามันแสดงความแปรปรวนไม่สามารถคงรูปร่างไม่สามารถคงที่ของมันได้ มันแสดงสิ่งที่ว่าไม่มีผู้ใดไปควบคุมได้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันแสดงความจริงตามปกติของมันมีเหตุให้เป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นเราควบคุมไม่ได้แต่คล้ายๆกับเราคุมได้มันคุมได้ชั่วคราวจริงหรือเปล่ามันคุมได้แค่ชั่วคราวเอาไว้หลอกหลอกเป็นพักๆไป ถ้าเรามองให้เห็นระยะยาวขึ้นมามันเห็นความจริงทั้งหมดปรากฏว่าเราไม่มีอำนาจในการสั่งการมันได้อย่างแท้จริงเลยจริงไหมเหมือนดูหนังเหมือนดูละครแล้วดูแค่ท่อนฮุกสนุกจังเลยไม่ได้ดูเนี่ยต้นจนจบถ้าพิจารณานแต่ต้นจนจบทราบทั้งหมด โยมมันก็พัอดเรื่องเดิมๆน้ำเน่าเหมือนเดิมและชีวิตคนเราพิจารณาให้ดีเน่ายิ่งกว่าในละครอีกทุกคนจะไม่เน่าได้ยังไงดูตาสิมีขี้ตาไหมดูหูนี่มีขี้หูหเปล่ามีขี้มูกไหมมีขี้ฟันไหมมีขี้เหงื่อขี่ใครไหมทวารหนักทวารเบาสกรปรกไหม รวมแล้วทั่วสารพางกายเน่าหรื อ, อยังสกปรกหรื อ, อยังเป็นภาระเป็นภาระให้เราท่านทั้งหลายต้องคอยสะผมแปลงฟันชำระล้างไม่พอมันหิวต้องพามันไปกินมันกระหายต้องพาดื่มน้าแล้วดื่มน้ ำ, นำปกติไม่ไม่พอบางทีขอน้ำอัดลมได้ไหม<แ>ขอน้ำหวานได้ไหมอาหารปกติดีแล้วเท่านี้ไม่พอ ขอญี่ปุ่นได้ไหมแน่น่ารักร่างกายเัามีความน่ารักหลายอย่างเขาแสดงพิรุธการกระเพื่อมของธาตุดินน้ำลมไฟที่มันบางครั้งแสดงพิรุธขึ้นมาเวลาลมในกระเพาะเยอะๆเวลาลมในลาไส้เยอะๆเห็นความแปลปรนของธาตุไหมนี่ท้องอืดท้องเฟอ้อเห็นความแปลปรนมล่ะเวลาที่มันเดี๋ยวหนาวบ้าง เดี๋ยวร้อนบ้างหรือวูบวบตามร่างกายเห็นความแปลปวนาธาตุไฟไหมเนี่ยทำไมเราไม่ยั่งสติลงพิจารณาให้ดีแล้วก็กลับมาถามคำถามเดิมเราสั่งมันได้จริงหรือเปล่าเราเป็นเจ้าของมันจริงหรือเปล่าหรือเป็นเจ้าของแค่ห้านาทีนี้เป็นเจ้าของแค่สิบปีนี้หรือเป็นเจ้าของแค่หนึ่งร้อยปีนี้แล้วปีที่ร้อยสองล่ะ ปีที่ร้อยห้าล่ะเป็นกระดูกไปแล้วเป็นผุยผงไปแล้วไหนเจ้าของที่แท้จริงอยู่ไหนพิจารณาแค่นี้ง่ายๆสรุปว่าร่างกายเราเป็นของเราหรือไม่เห็นความจริงของร่างกา ย, ยไหมเนี่เปิดเผยธ า, าตุเปิดเผยความแปรปรวนเปิดเผยไตลักษณ์ในรูปประขันอย่างง่ายๆเอาเท่านี้ก่อนเย่าเพิ่ง ไปพิจารณาเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งเกินไปนักเอาพื้นฐานให้ชัดเดี๋ยวพื้นฐานชัดจะตลบ ก, กลับเข้ามาเป็นปัญญาในภาคละเอียดของจิตเองค่อยเป็นค่อยไปเอาให้ยอมรับความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มีความเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าสำหรับท่านทั้งหลายที่ได้พิจารณาตามมาถึงขณะนี้ก็จะรู้สึกว่า ได้ถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายออกไปเยอะแล้วแม้จะยังไม่หมดก็จางคลายไปเยอะแล้วเรามาพูดกันด้วยความเป็นจริงของมันที่ปรากฏอยู่เวลาที่ปวดหนักปวดเบาเวลาที่หิวเวลาที่กระหายเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายเวลาที่มันแสดงความเสื่อมแสดงความบีบคั้นทนได้ยาก และแสดงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือมันตั้งไม่ได้บังคับไม่ได้ธรรมะเขาประกาศตนเองอยู่ตลอดเวลาประกาศอย่างเปิดเผยด้วยแต่เราเคยพิจารณาเคยรับฟังธรรมที่ท่านแสดงหรือเปล่าเคยฟังธรรมจากผืนดินในร่างกายเขาแสดงไหม เคยฟังความจริงที่ธาตุน้ำในร่างกายเขาพยายามบอกกับเราไหมเคยฟังเทพจากธาตุลมที่เขาพยายามจะชี้แจงเราไหมเคยได้สาระจากธาตุไฟที่เขาพยายามจะให้แสงสว่างแก่จิตเราไหยเราพลาดโอกาสเยอะเลยนะทั้งที่ เขาพยายามเตือนพยายามชี้แจงพยายามเปิดเผยให้เราเห็นความจริงทีนี้เมื่อพิจารณาแล้วบางท่านมีอินทรีย์แก่กล้ามีปัญญาดีพิจารณารวดเดียวเข้าใจจิตเขาก็ลงสู่ความสงบระงับเมื่อจิตลงสู่ความสงบมันก็ตัด ความสุ้งส่านกางนังวลตัดความกระเพื่อมไหวอยู่กับความสงบความว่างภายในแต่หลายท่านกิจยังไม่ได้ไปถึงความที่มีอินทรีย์แก่กล้าเช่นนั้นก็ต้องพิจารณาบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากนี่คือเหตุผลว่าแล้วทำไม การประพฤติปฏิบัติสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านจึงให้ปารบความเพียรให้ทำความเพียรแต่ของพวกเราง่ายมากเลยแค่บอกพุโทโธธรรมดาเนี่ยโยมพุโทโธนะพุโทโธนะขนาดพุดโทโธเลยยังขี้เกียจพุโทโธเลยแล้วจะให้พิจารณามันยากกว่าพุโทโธอีกเหนื่อยกว่าพุโทโธอีก ปราถนาพระนิพพานแต่ไม่ทำเหตุเพื่อไปพระนิพพานแล้วสุดท้ายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวังวนนี้เอาเข้าจริงๆนะมันน่าสงสารหรือน่าสมนำหน้าคิดให้ดีจริงไหมไม่ได้ด่าใครเลยแต่หมายถึงว่าให้เราทั้งหลายต่างพิจารณาแลวปรงสังเวกกับตนเอง ขณะที่เราพิจารณาร่างกายดูตามความเป็นจริงของกายมันไม่ได้เกิดปัญญาที่กายนะมันเกิดปัญญาที่จิตที่อาตมาพูดถึงปัจจยาการเรื่องเหตุปัจจัยสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเหตุไงสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ เป็นภาคความดับหรือภาคผลเมื่อมีเหตุให้กายเกิดเมื่อมีเหตุให้กายเป็นไปคำว่าเป็นไปนี่มันเยอะมากเลยนะสรพัดเลยอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเย็นร้อนอ่อนแข็งสารพันสะสารทั้งหลาย ที่มาประชุมกันหรือว่าไหลเข้าเวียนออกอย่างธาตุลมเนี่ยลมหายใจเข้าออกเห็นไหมหรืออาหารเนี่ยรับประทานเข้าไปแล้วถ่ายออกดื่มน้าแล้วปัสสาวะออกทุกอย่างมีเหตุให้เป็นไปท่านกั้นลมหายใจอยู่ได้ไหมไม่ทานข้าวไม่ทานน้าไม่ปัสสาวะไม่อุจจาระมันบังคับไม่ได้เห็นปะ มันกลั้นก็กันได้ชั่วคร้าวกันได้ชั่วคร้าวจากหนี้เดินไปถึงห้องสุขาแค่นั้นแหละแต่ก็ต้องปลดปล่อยธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นเขาแสดงธรรมอย่างเปิดเผยตลอดเวลาแต่เราไม่ได้พิจารณาธรรมที่ท่านแสดงเลยคือถ้าจะให้เทศด้วยบาลีเยอะๆเทศด้วยอะไรที่มันลึกซึ้งมากๆก็ทำได้แต่ว่าประโยชน์มันน้อย เรามาคุยเรื่องพื้นฐานเช่นนี้กันดีกว่าแล้วจเจริญสติในเรื่องพื้นฐานอย่างนี้ให้ดีให้มากเวลาที่ภาวนาอย่าไปคิดว่าหลับตาปีแล้วก็หายใจเข้าออกหรือว่าเดินจงกรมสำรวมกลับไปกลับมานั่นเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของการภาวนาการภาวนาที่แท้ ท่านอาจจะกำลังร้องเพลงอยู่ก็ได้ในพระไตรปิฎกระบุถึงขนาดว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยมานบแต่งเพลงเกี้ยวสาวพระพุทธเจ้าช่วยบุรุษที่มีจิตปฏิพัทธ์จะหญิงสาวช่วยแต่งเพลงเกี้ยวสาวแต่งเพลงจีบสาวไม่เล่าให้ฟังวันนี้หรอกเสียใจ อยากฟังก็จะฟังที่ว่าตาธรรมคีรีมีอะไรหลายอย่างอย่าไปฟันตรงๆว่าอันนี้ผิดชัวอันนี้ถูกชัวไม่มีในผิดก็มีถูกด้วยในถูกอาจจะมีผิดผสมด้วยธรรมะของพระพุาธเจ้าท่านสอนขนาดว่า แม้แต่หลักการทั้งปวงของท่านทิษดีทั้งหลายธรรมะทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ฟังแล้วศา ส, สนาเราเป็นศาสนาที่อัศจรรย์ที่สุดเลยนะสอนหลักใหญ่หลักกลางหลักละเอียดลึกซึ้งที่สุดแล้วสรุปสุดท้ายว่า ทั้งหมดทั้งปวงที่สอนมายึดมั่นถือมั่นไม่ได้นี่เป็นอภิมหาปัชญาเลยนะเพราะขึ้นอยู่กับปัญญาผู้นาไปใช้ขึ้นอยู่กับปัญญาผู้นำไปใช้ซึ่งในขณะจิตนี้ควรใช้อย่างไรในคนคนเดียวกันนะขณะจิตต่อไปยาเดิมอาจใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวยา ถ้าเรามองในการศึกษาธรรมะโดยเฉพาะภาคภาวนาว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ตายตัวอาตมา ก, กาหัวกากากาบาทที่เขาสอบโยนมาเลยว่าสอบตกร้อยเปอเซ็นสอบตกแน่ๆเพราะไม่สามารถระบุได้อย่างนั้นในด้านธรรมะไม่ใช่เรื่องจะไปฟันทงว่า นี้ผิดแน่นั้นถูกแน่เพราะโลกกราธาดนี้เป็นของไม่แน่จริงไหมยอยู่ในลักษณะการแห่งอนิจจตาทั้งนั้นอยู่ในลักษณะการแห่งทุกขตาอนัตตาทั้งนั้นอยู่ในสามันลักษณะแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น สัพเพธรรมานานาังอภินิเวสายะธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นของยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แต่มีจริงเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกฎแห่งกรรม ทำหน้าที่อย่างยุติธรรมต่อทุกดวงจิตเสมอมีจริงแต่ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความจริงอันประเสริฐต้องวางทุกความจริงวางทุกความเท็จเพราะถ้ายึดว่านี้เป็นจริงยึดว่านี้เป็นเท็จมันจะตกอยู่ในสภาวะของสองตลอด มันจะมีคู่เคียงคู่เคียงกันเป็นทวิภาวะตลอดถ้ามีขาวต้องมีดาอย่างเนี้ยมีเกิดต้องมีตายอย่างนี้แต่ถ้าพ้นจากความเกิดมันก็พ้นจากความตายด้วยเพราะเหตุของความตายก็มาจากความเกิดนั่นเองขณะนี้หลายท่านส่วนใหญ่กลัวที่จะตาย คืออาจจะเลี่ยงบาีเล็กน้อยไม่ได้กลัวความตายกลัวเจ็บปวดทรมานก่อนตายก็ตามเถอะอาตมาต้องเรียนว่าอย่าไปกลัวสิ่งเหล่านี้เลยถ้าจะกลัวคนที่จะกลัวความเกิดมากกว่าซึ่งเราลืมความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นผลพวงมาจากเหตุปัจจัยเกิด ถ้าจะชนะความแก่ความเจ็บความตายได้ต้องหาวิถีทำอย่างไรจะไม่กลับมาเกิดถ้าเข้าใจเคล็ดวิชานี้ได้กุญแจวิเศษไปเปิดประตูมรรคผลนิพพานทันทีท่านทงายเห็นไหมว่าตามยาก ในการประพฤติปฏิบัติธรรมคือการทำฉะไหนให้กายกับใจเราเห็นความจริงของตนเองที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้พูดเรื่องคนอื่นเลยนะพูดเรื่องความจริงของตนเองทั้งนั้นซึ่งเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้มองไม่ได้ทำความแยบ คายในสิ่งนี้เลยเราโมจะไปเพ่งโทษชาวบ้านโมจะไปจับผิดคนอื่นแล้วก็ก่อสายทางเดินสังสารวัตรที่จะไปเพิ่มเชื้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมัาไปก่อกรรมก่อเวรก็เลยมาไปรับกรรมรับเวรแล้วไปใช้นีิกรรมใช้นีิเวรกันไม่รู้จะจบจากสิน้นแต่พระบรมศาสด า, สดาไม่ได้สอนอย่างนั้นพระบรมศาสดาสอนให้คืนคายถ่ายถอนและทําลายห่วงโซ่แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้มากที่สุด คือตดแอกตนเองให้เป็นอิสระทำลายพันธนาการทำลายเครื่องพันธกรรมที่ทาให้เราทั้งหลายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งกายเจ็บไข้ได้ป่วยจิตหลายท่านบอกว่าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทางกายมจริงนั่งหนูนี้สักสามวันนะอย่าขยับ ผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละโยมจริงไหมมันบดบังอิริยาบถมันบดบังความทุกข์พอเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นมันก็ลืมแล้วว่าไอ้ที่ปวดเข่าอที่ปวดหลังอที่ปวดคอแล้วความที่เกิดอย่างรวดเร็วเกิดดับอย่างรวดเร็วสื่ต่ออย่างรวดเร็วมาก ปันหนึ่งว่าเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันเลยมันบทบังอนิจจังเส้นผมบนศรีรษะเราเนี่ยดำแล้วก็กลับงอกแล้วก็หลุดร่วงแต่เผอิญว่าไอ้ที่หลุดร่วงไปมันดันมีใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยมันก็เลยปันหนึ่งว่าผมนี้ยังคงอยู่ทั้งที่ความเป็นจริง มันผลัดไปมันแปลไปมันหลุดร่วงไปมันดับไปเซลล์ผิวพวกเราทุกคนเซลล์ผิวผลัดเซลล์ผิวทั่วร่างกายใช้เวลาประมาณสิบเจ็ดถึงยี่สิบวันก็เลยรู้สึกว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ทั้งที่ความเป็นจริงมันเปลี่ยนตลอดเวลา เปลี่ยนตั้่ในระดับเซลล์เลยไอ้ที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบนี่คือทั่วร่างนะทั่วร่างแต่มันเปลี่ยนตลอดเวลาเราไม่ได้พิจารณาเห็นความจริงเหล่านี้ถ้าพิจารณาเข้าไปลึกซึ้งมากเข้ามากเข้ามันหาความเป็นเราไม่เจอรูปประทาดอย่างเดียวรูปร่างกายเนี่ยรูปธาตุดินน้ำลมไฟ จะเติมอากาศเติมวิญญาณอะไรเข้าไปก็ตามธาตุทั้งหลายแ ป, ปลปรนแล้วไม่ใช่เราพอไว้ใจไม่ได้สักอย่างแล้วก็สั่งไม่ได้อย่างแท้จริงรูปไม่ใช่เราเป็นอย่างนี้ขนาดรูปของตัวเราเองยังไม่ใช่เราแล้วรูปของคนอื่นๆทั้งคนที่เรารักและคนที่เราเกลียดมันมีสาระไหม มันมีจริงไหมทำไมทำมากโกโรธคนนี้มากเลยเกลียดคนนี้มากเลยไอสิ่งที่เราโกโรธสิ่งที่เราเกลียดกลายเป็นเราถือลมถือแรงใช่หรือเปล่าเพราะมันไม่มีอยู่จริงถ้าเราเห็นตัวเราด้วยการเจริญสติที่พูดมาและอธิบายทั้งหมดเนี่ย คือยาณมะตายะกับปฏิสติมะตายะในสติปัฏฐานสูตรที่อธิบายพวกท่านฟังทั้งหมดเนี่ยนะคือสติปัฏฐานสูตรการพิจารณาสติปัฏฐานแต่อาตมาทำให้พวกท่านรู้สึกว่าไม่ได้พิจารณาสติปัฏฐานทั้งที่ความเป็นจริงท่านกำลังพิจารณาอยู่ จรนสติให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วสักแต่ว่าตามที่มันเป็นโดยที่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อจนเกิดเป็นความรักความชังเกิดเป็นความยินดีไม่ยินดีเราเห็นตามความเป็นจริงของรูปกายพอเห็นความเป็นจริงของรูปกายเวทนามันก็เคลือเดียวกันนะ่ะ จิตก็อันเดียวกันธรรมก็อันเดียวกันกายเวทนาจิตธรรมลงสู่ความว่างจากตัวตนเสมอกันหมดเลยเอาของหยาบให้ชัดพอของหยาบชัดจะเข้าไปหาของละเอียดได้พร้อมกันหมดเลยเวลาอธิบายอธิบายเป็นภาคๆคเอากายเวทนาจิตธรรมนะสติปัฏฐานทั้งสีน่นี่อธิบายทีละอย่างทีละอย่างแต่ในภาคปฏิบัติจัดหนึ่งถึงทั้งหมด ทั้งหลายดูนาฬิกาเมื่อไหร่จะเทศจบอาตมาก็ดูนาฬิกาเหมือนกันเมื่อไหร่จะครบเวลาเทศเพราะฉะนั้นท่านและอาตมาสมันเกลเสมอกันเป็นธรรมนะเป็นธรรมเสมอกันเสมอกันด้วยสภาวะแห่งธรรมจริงหรือเปล่าเสมอกันด้วยสภาวะแห่งธรรม ร่างพวกท่านก็ว่างจากตัวตนร่างอาตมาก็ว่างจากตัวตนธรรมะที่แสดงอยู่ไปเคลียในใจท่านให้สะอาดแล้วไปเคลียในใจพวกท่านไปเติมเต็มพื้นฐานที่บกพร่องพวกท่านเยอะแล้วบางทีหรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามาฟังเทศวันนี้แหมเหมือนไม่ได้อะไรเลยอาตมา ด, ดีใจมากกรุณาอย่าได้อะไรเลยเพราะ ท่านได้อะไรก็ตามท่านยึดสิ่งนั้นและแบกสิ่งนั้นทันทีแต่ถ้าท่านไม่ได้อะไรเลยมันสว่างโพลงไปถึงจุดประสงค์ที่อาตมาแสดงธรรมะแล้วอาตมาต้องการจะชี้ให้ตื่นไม่ใช่ตื่นด้วยตัวอักษรแต่ให้ตื่นในสภาวะและสารัะ แห่งปัญญาที่แท้จริงพวกเราทั้งหลายโชคดีมากรู้วยโชคดีตั้งแต่เกิดแล้วโชคดีที่เกิดมาใ น, นผืนแผ่นดินไทยที่มีพระมหาโพธิสัตว์เป็นพระเจ้าแผ่นดินโชคดีที่ผืนแผ่นดินนี้ ให้ที่อยู่ที่อาศัยก่อเกิดทุกสิ่งทุกอย่างของกายและจิตขึ้นมาแล้วก็จะโชคดีที่สุดอย่างล้ำลึกประเสริฐมากคือได้ใช้พลังร่างกายที่ได้มาจากผืนดินในการตอบแทนพระคุณแผ่นดินดังนั้น ตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและบ่วงปลายพลังดินทั้งหลายที่มาก่อเกิดเป็นพวกเราได้ถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเวลาและเป็นพลังธรรมะที่จะส่งต่อความดีงาม น, นี้กลับคืนสู่ธรรมชาติ และให้ลูกหลานทั้งหลายสืบสืบไปได้มีพลังแห่งธรรมเกาะเกี่ยวเป็นหนึ่งเดียวกันและส่งทอดความดีงามนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดดุจที่พระบรมา ศ, าศาสดาทรงเป็นประทีปดวงใหญ่ อประทีพน้อยใหญ่มากมายให้สว่างด้วยและช่วยให้สว่างสืบสายมาถึงปัจจุบันและจะสว่างต่อไปในอนาคตช่วยพิจารณาสภาวะจิตของท่านทุกคนเดี๋ยวนี้ท่านเห็นความว่างของใจไหม เห็นความรู้สึกที่มันไม่ได้อะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่ทุกอะไรเห็นสภาพความเป็นปกติของจิตพวกท่านไหมอาตมาต้องการแค่นี้ต้องการแค่นี้จริงๆเพราะขณะจิตที่เป็นปกตินี้เป็นนัยยะที่สาคัญมาก ยุติการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้